อนาปติวานพิกษุนีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตรคือ742 1. ริบสพิคสุนีผู้ให้แจกอาการจีวรด้วยสําคัญว่าเป็นการกจีวอนสพิกษุนีให้แจกการกจีวอนด้วยสําคัญว่าเป็นการกจีวอนสพิกษุนีวิกลจริต4ีพิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่2จบ